ผูทวาสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการสัสนสเี์สนทนามาแล้วนะคะจะทำให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสไว้ในขณะที่ยังทรงมีพระชนชีพซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นทำที่ท่านได้แสดงเอาไว้ก็มีอายุยาวนานนับเป็นสองพันหร้อยปีแล้วต้องเป็นของที่ มีความเป็นอมตะอย่างแท้จริงการเวลาทำอะไรไม่ได้การที่เราได้มีโอกาสเข้าถึงก็ถือว่าเราโชคดีมากนะคะได้เข้าถึงอมตะธรรมสำหรับรายการของเราออกอากาสทาง FM 1เ6มร้อยหกค่ะมีพระมหาภัยบณ์อภิปุโนท่านพ่วงโดยการหลักสูตรการหลีกเร่นที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในห่วงเวลาของการลีกเรนของเดือนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ ท่านก็เมตตามาให้ธรรมะเราอยู่เป็นประจำคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมสักทีหนึ่งก็มีโอกาสที่ดีที่ฟังรายการนี้เพราะว่าท่านก็จะมานำการปฏิบัติธรรมของพวกเราก่อนหน้าที่จะเข้าสู่การสนทนาธรรมก็เรียกว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันได้เลยนะคะทุกๆ ท, ท่านเพราะเดี๋ยวดิฉันกาลังจะพาไปกลบนมัสการท่านเดี๋ยวนี้กันแล้วค่ะกลับนมัศการค ะ, คะท่านคะเจริญบาน เรามาเริ่มกันฝึกการปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับผู้ที่ปฏิบัติหลีกเร้นที่วัดป่า ด, ดอนไนโกนี่แหละธรรมบุฟังที่จะเริ่มในการปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่ทางวัดจะฝึกให้ทําอยู่เป็นประจำมันมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือการให้อยู่ในการหลีกเร้นแต่เพราะฉะนั้นอย่างตอนเนี้ยถ้าธรรมบุฟังไม่ได้คุยกับใครไม่ได้มีกิจการงานใดๆมากเราก็อยู่ของเราคนเดียวอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยินดีในความสงัดเงียบได้ คำว่ายินดีในความสงัดเงียบนั้นก็คือว่าอาจจะมีเสียงนั่นเสียงนี้อะไรก็ตามเถอะแต่ว่าเราไม่ได้ไปใส่ใจไม่ได้ไปสนใจมันพระพุทเจ้าเนี่ยทำพระองค์เป็นตัวอย่างอยู่เสมอแต่บางครั้งก็ไปหลีกเล่นอยู่คนเดียวอยู่ในป่าแต่เราก็ไม่ได้สนใจใครอยู่ผู้เดียวเช่นในการในขณะ น, นี้เราไม่ได้พูดกับใครอยู่คนเดียวอันนี้เราก็ถือว่าหลีกเร่นละอาจจะเป็นช่วงสั้นๆก็สามารถทําได้อย่างที่สนั่นก็คือให้มีการตั้งสติขึ้น การตั้งสติเครื่องมือที่เราใช้นั้นก็คือลหมหายใจพระพุทธเจ้าแต่ในตอนตรัสรู้ใหม่ๆอยู่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะหลังจากที่ตัดสินใจแล้วลว่าจะสอนธรรมะแก่สัตว์โลกเนี่ยก็ไม่คิดว่าอะไรนะ้อธรรมะอะไรนะ้อที่จะสามารถเป็นเครื่องที่จะพาสัตว์โลกเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ได้ความคิดกับปิ๊งขึ้นในจิตใจของท่านทัน ท, น ท, นทีนั่นก็คือสติปัฏฐานทั้งสี่ สติปัญญาทั้ง4ี่จะเกิดขึ้นในจิตของเราได้เราอาศัยทำอันเอกทำอันเอกนั้นก็คือลมหายใจลมหายใจที่ตัวพระองค์เองตั้งแต่ก่อนการตระดักรู้ก็ใช้เป็นเครื่องอยู่เราพระอาารัน์ทั้งหลายก็มีเครื่องอยู่ที่อยู่เหล่านี้เหมือนกันคือลมหายใจแห้เราเอาจิตของเรานั้นมาจดจ่อระลึกถึงอยู่ในที่ตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมสัมผัสนี้อาจจะเบา อาจจะแรงเห็นได้ชัดเจนหรืออาจจะแผ่วเบานิดเดียวเหมือนกับไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเราดูเข้าไปจาะเข้าไปพิจารณาเข้าไปจริงๆเนี่ยมันก็จะยังมีอยู่แลต่เราเอาจิตของเราตั้งไว้ตรงนี้คือบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมนี่แหละพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปริมุขขังจิตที่อยู่หนะ้าที่ตำแหน่งนี้เหมือนกับเป็นบ้านของจิตในเวลาที่เราไปต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะ3วันบ้างอาทิตย์หนึงบ้าง กลับมาบ้านแล้วก็รู้สึกเย็นใจสบายใจมีความอบอุ่นเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยมันอาจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเอามันไม่ได้อยู่ที่บ้านฮนะเอาให้มันกลับมาที่บ้านของจิตนั่นคือวิหารธรรมนั่นคือเครื่องอยู่คือลมหายใจนั่นเองให้เรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่อย่างตลอดเวลาถ้ามันเผลอแวบออกหนีออกจากบ้านไป เ, เราเห็นจิตของเราไม่อยู่ที่บ้านเมื่อไหร่ ก็เรียกเขากลับมาการเรียกเขากลับมานั้นก็คือการระลึกถึงนั่นเองการระลึกถึงนึกถึงคิดถึงอันนี้เป็นคําศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันว่าให้เราเอาจิตของเราเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านคือลมหายใจอย่าให้มีความแบบไม่พอใจว่าโอ้ทำไมฉันฟุ้งซ่านฉันคิดมากเพราะว่านั่นมันจะเป็นนิวรนเรื่องกลางกั้นให้จิตของเราไม่เป็นสมาธิแต่มันก็อาจจะมีบ้างแหละคิดนึกนั่นนี่โน่นแต่เราอย่าให้จิตเรามันไปคล้องแวะตรงนั้น อย่าเอาใจไปใส่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าจิตของเราไปใส่ในเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตมันจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เราไปใส่ในเรื่องที่มันจะทำให้เราเกิดความฟุง้งซ่านจิตของเรามันจะไปทางนั้นเราก็เอาใจของเราเนี่ยมาใส่ในเรื่องที่จะทําให้จิตนั้นตั้งมั่นกันได้ในที่นี้ก็คือลหมหายใจมาเพ่งพิจารณาลงไปพอเรามีการพิจารณาให้เห็นว่าลหมหายใจของเราอยู่ตรงไหนแล้ว จิตของเราก็จะเริ่มเป็นสมาธิได้จิตที่เป็นสมาธิมีอารมณ์มันเดียวเห็นสิ่งใดรับรู้สิ่งใดแล้วไม่เข้าไปเกลือกลัวเห็นอยู่อย่างตามที่เป็นจริงลักษณะการที่เห็นอยู่อย่างตามที่เป็นจริงนี้ก็คือเป็นวิปัสสนาไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยวิปัสสนาก็อยู่ที่นี่จากการที่เราไม่เข้าไปเกลือกลัวยินดีในสิ่งที่น่ายินดีไม่ขยะกขยงเกลียดชังในสิ่งที่ไม่น่ายินดีแต่เห็นมันอยู่ตามเนื้อผ้า อนนี้คือลักษณะของวิปัสนาจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวอั น, นี้ก็เป็นลักษณะของสมถะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราเจริญสตินี้ทั้งสมถะและวิปัสนาก็เป็นธํามคิดเขียงกู่กันไปมรรคแล้วก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในขณะที่เรารู้ลมหายใทจ ท, ทําจิตได้เป็นอารมณ์เดียวอย่างนี้เราเจริญมรรคแปไปได้ตลอดทั้งวันในขณะที่ทํางานพูดคุยกับผู้คนเดินทางอยู่เนี่ยก็สามารถตั้งสติ ให้เกิดกันได้เรียนปอนค่ะสาธุค่ะท่านฟังก็ถ้าหากยังพอจำกันได้นะคะว่ามรรคแดนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคิดใกล้ควรต่อว่าทำไมท่านพระบุญท่านได้กล่าวนะคะว่าการที่เราเจริญสติเน่ะมรรคแปดอยู่กับเราแล้วท่านคะดิฉันเนี่ยก็คิดว่าหลายคนอาจจะสงสัยเหมือนกันในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธรรมดาได้ยินตั้งแต่เด็กเลย ในการวปชาวพุทธคือคำว่าณนะโมตัสสะนะคะแล้วเราก็จะได้พบว่าตัวเองเนี่ก็ท่องณโมตัสสะในตอนขึ้นต้นจะทำกิจกรรมอะไรในทางด้านของเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะคะณโมสามจบเนี่ยมันคนก็รู้คำแปลด้วยขอนอบน้อมแดบบ่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะคะแล้วก็บางคนก็เลยเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะ ก็เห็นมีอารหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนด้วยนะค ะ, ะที่ต้องกราบพระครั้งที่หนึ่งก็อารหังใช่ไหมคะครั้งที่สองก็สวาขาโตครั้งที่สามสุปฏิปันโนสองอย่างเนี้ยเหมือนกันหรือไม่แตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ที่ถูกแล้วในการเริ่มต้นกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะจะต้องเริ่มต้นอย่างไรด้วยนโมตัสสะหรือยอย่างอื่นค่ะออคือคานี้คาว่านโมตัสสะก่อนนี่นะ คือเกิมเต็มๆก็คือน้ำโมตสสะพระกวาโตอาราโตสัมมาสัมพุทธสัตว์เนี่ยนะคำคเนี้ยไม่ใช่พุทธพจน์นะไม่ใช่พุทธวจนะอแต่เป็นคําที่บุคคลอื่นเนี่ยเขาเขาพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาเพื่อที่จะนอบน้อมกับพระพุทธเจ้านอบน้อมกับพระพุทธเจ้าแต่เป็นคําที่คนอื่นพูดอ่ะไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้พูดแต่ที่พระพุทธเจ้าให้พูดเนี่ยเวลาที่เราจะระลึก ถ, ถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะคุณพระพุทธพระธรรมระสงค์ก็จะมาเป็นซีรีส์คือทั้ง3อย่างนี่คือรัตนะสามอย่างเวลาพระพุทธเจ้าตรัยก็จะมาด้วยกันนะเช่นอรหังสัมมาสัมพุโทโธว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุโทโธจริงๆนะว่าธรรมะเนี่ยเป็นสวัสขาตะจริงๆว่าสงสาวกเนี่ยเป็นสุปฏิปนาจริงๆอย่างนี้นะเพราะเพราะว่านี่คือจะมาด้วยกัน3มคำนี้จะมาด้วยกันถ้าเป็นพุทธพจน์จากเท่าที่อนาุมาม ส, สังเกตสังเกตดูเนี่ย เวลาที่พระพุทธเจ้าจะกล่าวถึงคุณพระพุทธเจ้าก็จะกล่าวถึงพระตามแล้ก็พระสงฆ์ด้วยคือคำว่าคุณเนี่ยคือหมายถึงให้ระลึกถึงให้ระลึกถึงคือเอาจิตให้มีการระลึกถึงให้เป็นจรณะพุทโธธรรโมสังโกย่างที่ว่าค่ะทีนี้น้าโมตัสส์เนี่ยเป็นคือคําที่คนอื่นเขากล่าวทําไมเขาถึงใช้คํานี้อันนี้อาจมาอนุมานเอาอนุมานเอานะเพราะว่าจากเท่าที่จะเจอเนี่ยพวกพราหมเนี่ยจะเอามาใช้ก่อนอพวกพราหมเนี่ยจะเอามาใช้ก่อนที น, นี้พอเขา น้ำตือพระพุทธเจ้าเนี่ยคือกรรมในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาตกจงตกใจอะไรเขาก็นึกถึงพรหมกล่าวถึงพรหมขึ้นมานะัคือแบบเหมือนอย่างฝรั่งเนี่ยนะเขาตกใจก็โอ้ oh my god ค่ะแล้วก็นึกถึงพร ะ, พระเจ้าของเขาทีนี้พอเขาไม่ได้มีพระเจ้านั้นเป็นสรณะแล้วเนี่ยเขามีสัมมาสัมพุทธะเป็นสรณะเนี่ยเอ๊ะเราจะกล่าวกับอะไรดีแล้ก็กล่าวกับว่าน้ำหมดตาขึ้นมามีนางพรามนาธีคนหนึ่งเวลาจะลื่นลม้มทําอะไรตกแตกฟ้าผ่าเนี่ย ก็อุทานขึ้นมาเป็นน้ำหมดตาพฯฯฯฯระคัมภีร์ตัวอรหันต์ตัสมมาสมบุรษะสาม ค, ครั้งนะคนนี้เขาก็อุทานขึ้นมาอย่างนี้แต่เราก็จะมีในประสุูตรหนึ่งพระพริชาเล่าให้ฟังถึงเรื่องกําเนิดของโลกกําเนิดของโลกว่าพวกปรามมายัางไงเนี่ยนะเราก็จะเล่าถึงพวกปรามว่าพวกปรามเนี่ยเขาจะมีความที่ไปอยู่กับพรหมเป็นความต้องการที่สูงสุดของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะทําอะไรเนีเขาจะลึกถึงพรหมก่อนเพราะฉะนั้นพรหมเนี่ยก็ จะเป็นบุคคลที่คนอื่นเนี่ยเขาจะกล่าวถึงอยู่เสมอแตนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้เอาพรมเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงแล้วจะเอาอยัางไงดีอันนี้ก็จึงมีคําที่คนเขาคิดขึ้นมานโมตัสสะภควะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธสะอันนี้คือเป็นคําที่ขึ้นมาใหม่แต่ขึ้นมาใหม่นี้ก็คืออยู่ในสมัยพุทธกาลนั่นหละค่ะคือดิฉันเข้าใจว่าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยทราบนะคะนโมตัสสะภควะโตโ อรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัพพยเดาได้ว่าเป็นการที่เหมือนกับสรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้าถูกไหมคะใช่ทีนี้มาตอนหลังมารู้คาแปลที่ฉันเข้าใจถูกไหมคะว่าทั้งนโมตสัสสะพระก ร, ตรุตโตรหัโตสัมมาสัมพุทธสัพพยหมดทั้งชุดเนี่ยแปลว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็ต้องต่อด้วยซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองด้วยหรือเปล่าคะในการหมายจากบาลีนโมนี่คือขอขอนอบน้อมนโม ค, คือการนอบน้อมตัสสะคือพระองค์นั้น พระวัตโตคือพระผู้มีพระภาคราตโตนี่คือผู้ไกลจากกิเลสสมมาสมุทธ h a นี่คือตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งคําเหล่านี้มีความหมายที่ลึกซึ้งหมดเลยนะค่ะเอ า, เ, อ า, เ, อาเริ่มจากนโมกันแตถ่ถ้าเราจะเจาะลงไปในความหมายของคํานี้เนี่ยน ะ, ค, ะคือทําไมต้องมีการนอบน้อมทําไมต้องมีการนอบน้อมเพราะว่าถ้าเบอกว่าจิตเนี่ยมันไม่อ่อนจิตเนี่ยนะถ้าไม่อ่อนเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ เ, เราเปรียบเทียบกับจิตที่แข็งกระด้าง จิตที่แข็งกระด้างมีมิจฉาทิฏฐิหรือว่ามีนิวรณ์เนี่ยฟังทำยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจเพราะฉะนั้นจิตที่อ่อนนะคืออ่อนนี่คือนุ่มนุ่มพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับดินเหนียวที่มันนุ่มพรม้อมที่จะขึ้นรูปได้ปั้นบิดหม้อดได้เปรียบเหมือนกับทองคําทองคําแท้เลยที่เขาเอาไฟเผาจนอ่อนแล้วนุ่มแล้วเนี่ยช่างทองก็จะขึ้นรูปได้ตัวนี้คือความหมายของเาาําว่านโมคือให้จิตเนี่ยมีการนอบน้อม มีความอ่อนโยนตรงนี้นนี้คือคำที่หนึ่งนะ่ะตัดสัเนี่ยก็คือเฉพาะเจาะจงลงมาที่พระองค์นี้พระองค์นั้นคือพระองค์นี้แหละคือสมณโคโดมนี่แหละค่ะอ่าพัวานี่พักว้าโตเนี่ยหมายความว่าผู้จําแนกแจกธรรมผู้จําแนกแจกธรรมความสามารถของพระพุทธเจ้าในการที่จะเป็นผู้จําแนกแจกธรรมเนี่ยนะคือพระพุทธเจ้าเคยปเปรียบเทียบเอาไว้ว่าถ้ามีสาวกสี่รูป มีสามวสีรูปในธรรมะไม่ไหนนี้เนี่ยนะรูป 1, 1รูปที่1ถามเกี่ยวกับเรื่องของกายานุปัสนาสติปัฏฐานเรื่องเกี่ยวกับเห็นกายในกายนี่แหละถามเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าก็ตอบให้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เขาก็เอาไปทรงจําไว้จําไม่ได้รูปที่2ในระหว่างที่รูปที่1นึ่งจำไม่ได้เนี่ยรูปที่2ก็ถามอีกถามเรื่องเกี่ยวกับเวทนาการเห็นเวทนาในเวทนาเป็นอย่างไรพุทธเจ้าก็ตอบให้แล้วก็เอาไปทรงจําไว้ในขณะที่รูปที่1รูปที่2ทรงจําอยู่ รูปที่ 3, สก็ถามเรื่องของการเห็นจิตในจิตแต่ว่าการที่ทําจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานเป็นยังไงพระบริจาคก็ตอบให้ในขณะที่รูปที่หรูปที่2รูปที่สามนี่ยกำลังจําอยู่นะรูปที่4นี่ก็ถามถามเรื่องเกี่ยวกับการเห็นธรรมในธรรมแตว่าธรรมโนปัสสนสติปัฏานเป็นยังไงพระบริจาคก็ตอบให้ในขณะที่รูปที่สองสามสี่กำลังจําอยู่เนรูปที่1จําเสร็จแล้วใช่ไหมถามต่ออีกเรื่องเดิมอีกเนี่แหละนะเป็นไปอย่างนี้นะคุณโยมเดี๋ยวน้ำวนกันไปวนกันไปเนี่ยนะเป็นท huh> MM> ั้ง เราไม่ต้องกินนะเว้นการกินเว้นการ น, นอนเว้นการดื่มเว้นการเข้าห้องน้ําเป็นอย่างนี้อยู่ร้อยปีนะคําพูดคําจาที่พระพุทธเจ้าอาจจะอธิบายเรื่องของสติปัฏฐานสีเนี่ยก็จะยังไม่หมดสามารถแจกแจงได้ขนาดนี้นะอย่างอย่างที่เราฟังกันเนี่ยธรรมาก็จะมาพูดอยู่เสมอในรายการว่าเาเห็นลมหายใจนะคือเห็นกายด้วยนะเวทนาด้วยจิตด้วยธรรมด้วยก็จะพระพุทธเจ้าจจก็แจกแจงให้แจ้งให้ว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ไหมในสติปัฏฐานสี่มี พ่อชงเจยู่ด้วยนะก็จะแจกแจงให้ว่าเป็นยังไงเป็นยังไงนี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยแจกแจงออกคําว่าพักวาเนี่ยคือผู้จําแนกแจกแจงออกกร ะ, ะจายออกคลี่ออกให้ดูดขอโทษนะคะพักวาในที่นี้เนี่ยมีได้พระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นไหมครับแน่นอนแน่นอนถูกต้องมีแค่คนเดียวจะถูกค่ะ อ, ะอะท่านภาษาดิบครับ เ, เป็นพักวาไม่ได้ค่ะโอเคตามมาคืออาระหังอารันก็คืออาราโตเนี่ยแหละนะ ค, คือหมายถึงผู้ที่ไกลจากกิเลสและคือไม่มีกิเลสแล้วผู้ที่ไม่มีกิเลสแล้วซึ่งคุณสมบัติต ร, ตรงนี้ก็จะเหมือนกับท่านพระสารีบุตรท่านพระอัญญากตัญญูพู้นี้ก็จะอารหังเหมือนกันมี ค, ความเป็นอาราหานคือไกลาจากกิเลสนะการเจริญโตใช่อารหาโตตรงนี้ถูกต้องแล้วก็ถัดมาคือสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธเนี่ยไม่ใช่พุทโทธธรรมดานททเนี่ยก็พุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน พุทโธคือหมายความว่าอย่างนี้ <Okay. S 1> ทรนี้พุทโธเนี่ยก็จะมีอยู่สแบบด้วยกันนะแบบแรกก็คืออนุพุทโธก็คืออนุในหมายถึงว่าตามก็คือตรัสรู้ตามอย่างเช่นพระัญญาโกลธัญญาเนี่ยตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเราก็จะเรียกท่านว่าเป็นอนุพุทธะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธนะท่านพระัญญาโกลธัญญาและสาวกต่างๆก็เป็นอนุพุทธนะนี่ก็จะต่างกันแล้วก็แบบ ที่สองที่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นปัจเจกกับพุทธะอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าค่ะ น, นี้ก็คือตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถที่จะสอนกนุอน่นให้ตรัสรู้ตามได้คื อ, ค, อความสามารถในการสอนไม่มีมีอยู่แต่ว่าให้เขารู้ตามไม่ได้ส่วนอันที่สสูงที่สุดก็คือตัวเองรู้เองด้วยแล้วแล้วก็สามารถสอนกุลนิยให้รู้ตามได้ด้วยความความสามารถในการสอนตรงนี้จึงมีมาก ที่พูดถึงว่าเป็นพักว่าไงสามารถที่จะกำหนดบทเพียนชนะสามารถที่จะรู้วรฏจิตคนอะไรต่างๆที่เป็นความสามารถที่จะให้คุณเขามีศรัท ธ, ธาเชื่อตามได้อันนี้คือสัมมาสัมพุทธโธค่ะอก็เท่ากับว่านโมตัสสะพักวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนั้นเป็นบทที่นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธะคือพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดา ได้จำนักคำสอนเอาไว้ให้กับพวกเรานั่นเองใช่ใช่นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่ท่านได้กล่าวไปแล้วว่าก่อนที่จะมาศึกษาธรรมะหรือเข้าสู่ธรรมะเราควรจะต้องบอกให้จิตของเราเนี่ยมีความอ่อนโย น, น, น ม, มีความนอบน้อมคือบอกกับตัวเองใช่ไหมคะว่าต่อไปนี้เนี่ยฉันจะยอมรับที่จะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธานี้ถูกต้องค่ะ ดังนั้นคำว่านาโมตัสสะพะพุวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะจึงเป็นคำขึ้นต้นที่ทุกคนจะต้องบอกตัวเองในกิจกรรมทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่กำลังจะเข้าไปหาธรรมะของพระศ า, าสดาอันนี้ก็เป็นประเพณีนิยมที่ทำกันมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลคะ่ะดิฉันอยากจะทราบว่าสมมตินะคะเราเนี่ย ก็ศรัทธาอยู่แล้วเรารู้อยู่แก่ใจแล้วสูงสุดในเราไม่ศรัทธาใครยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมของพระองค์แล้วก็พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระองค์รู้แต่ในใจเวลาจะสวดมนต์ที่ฉันเก็ไม่สวดนโมตัสสะแล้วฉันเลี้ตรงไปที่อื่นเลยออืืหรปฏิบัติธรรมเนี่ยทีฉันไม่ไม่อินโทรดักชั่นแบบนี้ละอืก็เริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยอ้ออะไรแตกต่างกันไหมคะอก็สําคัญที่ใจที่สุดล่ะ นนีคุณโยมติว่าใจในสําคัญที่สุดคือบางคนพูดแต่ปากแต่ว่าใจไม่นอบน้อมจริงยังง่วงยังซึมยังคิดเรื่องอื่นคุยโทรศรัพท์อย่างนี้มันไม่ใช่นโมละหมือนไม่ได้นอบน้อมละยังไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์นี้เป็นต้นนะแต่ถ้าบอกว่าจิตใจเรามีความนอบน้อมเนี่ยว่าจะเราไม่ต้องพูดก็ได้แต่มันก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญรองๆองลงไปนะรองๆองลงไปมัน<ะ>อยู่ที่ใจในี่เป็นหลักเนอะค่ะ ทีนี้ถ้าอยังมีการอย่างนี้อีกเวลาจะกราบพระบางคนก็จะเข้าไปถึงห้องพระปุ๊บก็พนมมือใช่ไหมคะออืรังสัมมาสัมพุทธโฆภควาผู้ทังพระควรตังอภิวาเทมิสวขาโตสุปฏิปันโนค่ะอแตกต่างกันไหมคะกับการที่จะใช้ก็บว่านโมการเริ่มต้นในการที่เราจะอันนี้ก็จะเฉพาะจอดจงลงไปว่า พระพุทธเจ้านะคือรางสมามาสมพุโทโธพระธรรมนะคือสวัคขาโตพระกัตตาธรมโมพระสงฆ์นะคือสุปฏิปโนพระกัโตสาวัสังโฆ น, นี้ก็เฉพาะเจาะจงลงไปทีนี้ถ้าสําหรับการกราบซึ่งก็จะเป็นชุดคําที่สั้นกว่าบทสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นอิตธิพิโสสวัคขาโตสุปฏิปนโนเนี่ยนะค ะ, ะสําหรับชุดคําที่สั้นเนี่ยเป็นพุทธพจน์ไหมคะอืมเอาเฉพาะตรงส่วนที่รางสมามาสมพุโทโธเนี่ยใช่แต่พุทธทางพระกวันตังอภิวาเทมิเนี่ยไม่ใช่ อ๋ออันนี้ก็คือเป็นส่วนที่คําพูดที่เติมขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะเราเคารพประธรรมนั้นนะเราเคารพพระสงฆ์นั้นนะอภิวาเทมิี่ก็คืออภิวาทไหว้นั่นเองกราบนั่นเองค่ะงั้นในส่วนของ อ, าอารหังสัมมาสัมพุทธโธอันนี้เป็นคําของพระพุทธองค์ใช่พุทธังพัคควันตังอภิวาเทมิเป็นการเติมเข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าเรากําลังจะทาํากิริยานี้อเราเคารพพระพุทธเจ้าใช่ นะคะสวาขาโตพระควาตาธรรมโมอันนี้แปลว่าอะไรคะท่านค ะ, ะธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนะคะแล้วเราก็ต่อด้วยท้อยคำที่เราตั้งใจพูดเองว่าธรรมังนัมมัตสามิใช่ใชแปลว่าอขอกราบพระธรรมนั้นค่ะอสุปฏิปัโนพระควาโตสาวกะสังโคละคะอันนี้ก็คือ สงสาวกหมู่ของผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะแล้วก็สังคังอันนี้อ่าก็คือขอนอบนอบ้นอมแด่พระสงฆ์นั้นค่ะขอนอบน้อมแด่หมู่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคําสอนนั้นใช่ใช่ทีนี้ว่าคนโบราณแต่มาคิดว่าถ้ามีความแยบขายมากคือถ้ามีทั้งจิต ด, ด้วยใช่ไหมมีทั้งกายด้วยแล้วก็วาจาด้วยคือกายวาจาใจเนี่ยไปด้วยกัน มีการประคองอัญเชลีนี่คือเรื่องของกายมีการน้อมลงไปนี่คือเรื่องของกายนะวาจาปากก็พูดคํานี้ไปด้วยจิตใจก็นอบน้อมลงไปด้วยทําความเคารพด้วยคือมีทั้งกายวาจาและใจอันนี้คืออนามาัยที่ว่าเป็นความแยบคายของเราผู้คนโบราณนะนะก็เลยทำํำงานประเพณีนี้มาทีนี้คนสมัยปัจจุบันเนี่ยก็อย า, าชาบฉวยก็จะต้องให้เข้าใจความหมายลึกซึ้งไปตรงนี้ใช่ค่ะดิฉันคิดว่าเราเนี่ยทําตามๆกันมามโดยที่ก็ยอมรับใน ประเพณีที่ทํากันมาแบบนี้แต่บางคนก็สงสัยบางคนก็ไม่สงสัยที่ฉนว่าส่วนใหญ่ไม่สงสัยนะคะส่วนใหญ่ก็มีความรู้สึกว่าก็ทําทํากันมาก็ถูกต้องแล้วอบางคนก็ซีเรียสมากว่าไม่ทําไม่ได้แต่บางคนก็บอกไม่เป็นอะไรอยู่ที่ใจอืทีนี้ถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นพิธีดิฉันเข้าใจว่าการที่ยึดระเบียบแบบแผนนี่ก็งดงานดีนะคะแล้วมีคำถามหนึ่งนะคุณยมติว่าทำไมต้องสามรอบ ทำไมรอบเดียวไม่ได้นโนโมตาสานะใช่ไหม <c oughs> อ๋อใช่เลยค่ะเพราะว่าอย่างอราหาังกับสวากาโตสุปฏิปนโนเรายังทราบ <c oughs> ใช่หมคะมว่าจำแนกเป็นส่วนๆไปแต่ถ้านโมตาสานี่ <c oughs> ก็พูดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวถูกไหมคะ <c oughs> ทำไมถึงสาครั้งอันนี้อามาเคยอ่านคำอธิบายของหลายๆท่านนะนักประวบันดิตท่านก็จะคิดกันว่าอหมายถึงพระพุทธธรรมประสงค์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็หลายๆคนก็คิดกันไปทีนี้ว่ามันมีประเพณีหนึ่งของพวกพราหม อันนี้คือมาตั้งแต่ในสมัยวุฒิการแล้วคุณผูมเติ๋วเวลาเขาจะทําอะไรเพื่อความแน่ใจเนี่ยเพื่อความแบบแน่ใจเนี่ยเขาจะทำสามครั้งค่เขาจะทำสามครั้ ง, งอีกเป็นไม่รู้เป็นประเพณีของพวกพราหมณ์มาได้ไงนะแต่พราหมณ์ก็ามาก่อนพุทธถูกไหมค ะ, ะใช่ก็คือเป็นวันนัดกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วละ่ะอย่างเวลาจะทําความเคารพก็ทำสามรอบเดจะเพื่อความมั่นใจว่าจริงๆรนะิะฉันไม่ได้หลอกเธอนะฉันพูดสามเที่ยวเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวแบบเนี้ยเป็นเหมือนกับ เป็นคัสตัมของเขาเป็นเป็นประเพณีนิยมก็ทํากันว่าอะไรที่ฉันจะชวนแน่ๆเลยฉันจะทำสามรอบมันมันมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งน่าจะเป็นที่มาของการกล่าวนนโมตสะสามรอบหรือยังไงคะใช่ใช่เพราะว่าอันนี้คือเขาแบบขอมน่อมจริงๆอ่ะฉันไม่ได้พูดเล่นๆนะทําทำจริงๆนะออกย้ำสามรอบแล้วดูบทที่เราพูดสวดกันน่ะว่าพุทธังสะระนังขจามีอย่างเงี้ยยังต้องมีทุติยำปีพุทธังสะระนังขจามียังมีตัดยำปีกะ ใช่ัหมรอบที่สองและรอบที่สามนี่ยคืออันนี้มันเป็นเออก็มีคําอธิบายนะว่าสามรอบเนี่หมายถึงแน่นอนคือถ้าสองรอบหรือรอบเดียวมันยังไม่แน่นอนค่ะตรงที่ออะไรนะคะที่ท่านบอกทุกทุกสางพลังเนี่ยพุทธังสพลังขจามิเนี่ยใช่ไหมทุตยามปีพุทธังใช่พลังขจามีอ๋อยืนยันว่าครั้งที่สองก็ยังยืนยันว่าแมครั้งที่สองยืนยันว่า อ่าขอพระมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งรพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง <c oughs> แล้วก็แล้วก็ในในวินัยของพระเองก็ตามเนี่ยในวินัยของพระเองก็ตามเวลาเขาถามาอาบัติคุณเนี่ยเอ่อคุณแน่ใจนะ efendim, ว่าคุณไม่เป็นอาบัตินี้ถ้าแน่ใจให้นิ่งถ้าไม่แน่ใจให้พูดมาแต่ทุกคนนิ่งใช่ปะก็จะถามอีกถามแม่ครั้งที่สองคุณแน่ใจไหมว่าคุณไม่เป็นอาบัตินี้ถ้าแน่ใจว่าไม่เป็นให้น <functions> ิ่งถ้ามีอะไรให้พูดมาทุกก็จะนิ่งใช่ปะ ถ้ทุกคนนิ่งเสร็จปุ๊บก็ถามครั้งที่สาอีกนี่ถามครั้งที่สามนะว่าคุณแน่ใจนะว่าคุณไม่เป็นอาบาัตินี้ถ้าแน่ใจให้นิ่งถ้าไม่แน่ใจให้พูดมาถ้าทุกคนนิ่งใช่ปะ่ะก็ผ่านเอาอาบาัติข้อต่อไปมาแสดงอันนี้คือในปาติโมกนะเราทากันอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็มาในสมัยพุทธกาลดีเหมือนกันอ๋อเป็นความจริงก็มีเหตุมีผลเหมือนกันนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงง่ายอืมเราย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเองเราก็จะเห็นเหมือนกันนะคะแค่ เมื่อนาทีที่แล้วครึ่งนาทีด้วยซ้ําตัดสินใจอย่างหนึ่งตอนนี้มาเปลี่ยนซะแล้วไปข้างหน้าดิทํำท่าจะเปลี่ยนไปอีกอย่า ง, งด้วยซ้ําการที่ย้ำสามครั้งก็เพื่อให้บอกให้ตัวเราเองมั่นใจใช่ไหมคะให้แน่ใจว่าขณะเนี้ยเราจะขอถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสง์เป็นที่พึ่งอย่างแน่นอนอืแม้ครั้งที่สองแล้วก็แม้ครั้งที่สามนี่ยตยู ต, ตียมปีตัดตียมปีนี่คืออะไรอย่างงี้ค่ะ ทีนี่ดีฉันอยากทราบว่าอ่าถ้าเป็นคําแบบเนี้บางทีบางคนก็จะถือว่าเป็นคาถาแล้วถ้ามีคาถาอะไรสักบทหนึง่งที่เจ๋งๆแค่ๆติดตัวเอาไว้อืออเราก็จะสบายใจเวลาที่เจอเหตุการณ์อะไรยกตัวอย่างนะคะที่ฉันเป็นเด็กๆเนี่ยอก็จําได้ว่าคุณแม่เนี่ยก็จะสอนตอนนั้นสอนว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะลูกให้ท่องอิสวาสุ ซึ่งดิฉันก็เพิ่งมารู้ตอนโตขึ้นมาหน่อยนะคะว่าอ๋อย่อย่อมาจากอิอาาติวิโสสวาร์คโตสุปฏิปันโนใช่ใช่ก็คือบทสั่งเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ะระลึกถึงแต่จ ะ, ะพูดให้ถูกคือระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ ะ, ะทีนี้อย่างนงโมทศาเพื่อคั่วโตระหัโตสัมมาสัมพุทธสัจดิฉันเปิดในอินเทอร์เน็ตผ่านๆเมื่อท่านบอกว่าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้เนี่ย แต่ไม่ได้ลงเป็นรายละเอียดนะคะแคเห็นพูดว่ารอดตายเพราะนโมตัสสะมมีความศักดิ์สิทธิ์มีความคลั่งไหมคะท่านคะเขามีเรื่องราวในในนิทานธรรมบทเขาพูดถึงเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่ถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เวลาก่อนเขาจะทําอะไรเนี่ยเขาจะกล่าวนโมตัสสะใน3าครั้งก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยเช่นว่าก่อนจะไปเล่นกับเพื่อนทอยลูกเตา๋าหรือว่าดีดุูกคางหรือว่าเขี่ยลูกลอกหรือว่าเดินทางไปไหนก็จะระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการกล่าวนโมตัสสะเนี่ย สมรอบ <คะ S 1> แล้วปรากฏว่าเขาก็ชนะหมดเลยชนะหมดเลยนี่คือนิทานน ะ, <ค>ะแล้วไอ้อีกเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เล่นด้วยเนี่ยเฮ้ยทำไมมันชนะหมดเลยวะดูพูดอะไรเนะเาะก็พูดว่าน้าหมดแต่สะเนี่ยก็เลยเอามาทําด้วยอย่างเงี้ยน<ค>ะทีนี้ปรากฏว่าเด็กคนเนี้ยเขาเป็นลูกของคนเก็บฟืนคนเก็บฟืนในเมืองเนี่ยเขาจะต้องออกไปหาฟืนในป่าใช่ไหมตอนเย็นเขากลับมาบ้านแล้วเขาจะกลับเข้ามาในเมืองเนี่ยก็ขนฟืนมาอมันเวลาเย็ยนแล้วก็พักสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเข้าเมือง วัวของเขาในที่ลากเกวียนมาเนี่ยก็ประเอินหลงไปกับพวกที่ค้าปศุสัตว์แล้วเข้าไปในเมืองแล้วตัวเองก็เอ้าวตาล้ ว, วัวหายไปไหนลากเกวียนไม่ได้ก็เลยรีบติดตามเข้าไ ป, ไปกับพวกเลี้ยงปศุสัตว์แล้วพอเจอวัวแล้วรีบออกมาเนี่ยปรากฏว่าประตูเมืองปิดซะก่อนแต่ประตูเมืองปิดก็ออกไม่ได้ทีนี้แต่ว่าลูกอยู่ข้างนอกลูกอยู่คนเดียวข้างนอกซึ่งเขาไปพักเนี่ยที่พักเน้นเดินอยู่ใกล้ป่าช้าอีกนนั้เด็กคนนี้เนี่ยก็ ตกเครื่งคือแล้วก็กลัวนะก็เข้าไปหลบ อ, อยู่ใต้เกวียนพรากฏว่ามีพวกยักษ์ยักษ์นี่ก็คือพวกอนมนุษย์นั่นเองจะมากินเด็กคนนี้เด็กคนนี้ก็ท่องน้ำโมละ่ะน้โมตศักดิ์เพราะว่าตัวเราโตสมาร์ตสุทรสารเนี่ยปรากว่ายักษ์ตัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมีสู่2ตัวยักษ์นี่นะตัวหนึ่งเป็นสมาธิติฐิบอกว่าเ อ, อ้ยอย่าทําเลยเพื่อนไม่ดีอีกคนหนึ่งบอกไม่ได้ฉันจะกินไอ้ตัวที่จะกินเนี่ยก็เลยไปจับขาเด็กเด็กรู้สึกว่ามีอะไรมาจับขาก็เลยท่องคํานี้ขึ้นมาน้โมตรศักดิ พะว่าตัวราโตสัมมาสัมพุทธสะัะพอมีคําว่าพุทโธเนี่ยยักได้ยินคำว่าพุทโธเนี่ยก็สะดุ้งเลยโอ้ตายละแต่ละรึกถึงพุทโธขึ้นมาเหมือนกันแต่ตัวเองอะนะก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าละอายต่อบาปที่ฉันจะมาทําผิดศีนลนะก็เลยรอดพ้นมาได้ะในในในี่ตางก็ว่างบบอย่างนี้คําว่านโมตสัจค่ะแต่นี่หมายถึงนโมตสัะเฉยๆหรือว่าต้องเลยไปถึงพระว่าตัวอราโตสัมมาสัมพุทธสัะที่เรียนถามอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะฉันก็ พอค้นชุดคําเหล่านั้นเนี่ยก็จะไปเจอเฟซบุ๊กมีคนใช้ชื่อนโมตัตะเหมือนกัน <laughs> อพอเปิดมาดูเธอทำหน้าน่ารักมากนะคะรูปหนึ่งแลบลิ้นออกมาอีกรูปนึ่งทำปากจู๋เธ อ, อ, อบอกว่าเธอชื่อนโมก็จึงอยากทราบแล้วถ้าลำพังนโมตตะเฉยๆนี่ถือว่าเป็นคําสวดสรรเสริญไหมคะหรือว่าเป็นชื่อคนก็ได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรที่สูงสง่งค่ะก็ <c oughs> อาจจะเป็นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้หมายความว่าไงนะค่ะแต่ถ้าใช้ มันก็อยู่ที่บริบทในการใช้ด้วยเพราะบางทีก็ย่อๆเอาอ่ะบางคนก็พูดย่อๆอย่างอิสวาสุอย่างเงี้ยเขาก็ย่อเอาก็มาจากอิติปิโสอย่างนี้ไม่ต้นจ้ะแม่ค่ะดิฉันจะกราบเรียนถามท่านในความหมายเลยค่ะว่าถ้าตัดตอนมาแค่น้โมตสายอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คือแสดงความนอบน้อมอ๋อท่วนท่วนท่วนท่วนจะไม่ได้ว่า <c oughs> หมายถึงว่ากะอะไรไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปค่ะแล้วอย่างะเช่นคําว่าน้ำโมยอย่างเงี้ยคือก็เห็นมีการ ตั้งชื่อกับหลายคนนะคะที่ฉังเคยได้ยินมามากกว่าหนึ่งคนก็สามารถตั้งได้ถูกไหมคะเพราะว่าเป็นภาษาบาลีที่แปลว่านอบน้อมใช่ใช่สามารถใช้ได้ค่ะนะคะก็ทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันมากขึ้นทีนี้อ่าอยากจะถามเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นเราเข้าใจละ ว, ว่าจริงๆถ้าเรามีศรัทธามั่นถูกไหมคะถ้าเราท่องนโม ต, ววตัสสะเพระวตัรหะโตสัมมาสัมพุทธะหรือแม้แต่กระท่องนโมตัสสะแล้วเราก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า ที่เหลืออยู่น่ะเป็นพระกโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธสัจเนี่ยก็มีความคลังได้เพราะเรามีจิตใจที่จดจอมีสติมีความไม่ประมาท ถ, ถูกไหมคะจิตใจตรงนี้คือการระลึกถึงพระพุทธประดรรมระสงค์ค่ ะ, ะท่านคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาจะพุทธังสารานังขจ า, ามิธรรมังสรนังขจามิสังคังสารานังขจามิเวลามีเรื่องภัยร้ายนะคะคือเหมือนกับ ไปอยู่ในอาคารสัอาคารหนึ่งเพิ่งเข้าไปทํางานเขาว่าที่ทํางานนี้ อ, อย่ากลับดึกหน้ามีอะไรแปลกๆอาจจะมีผีนะคะพุทธังส ร, รานหนังขจามิธรรมัาางส ร, รานหนังขจามิสังคังส ร, รานหนังขจามิเนี่ยเพิ่งได้ไหมคะเอสิ่งที่สําคัญในในเรื่องนี้คือว่าคําพูดคําจาอะไรนี่ก็ส่วนหนึ่งน ะ, ะใจิตใจที่เป็นคนดีมีธรรมะมีศีลอันเนี้ยจะมีธรรมะ ร, รักษาบุคคลผู้นั้นอยู่ เพราะนั้นอย่างเวลาที่เราระลึกถึงพระพุทธรประสงค์เนี่ยอันนี้คือเรามีพุทธานุสติทํรมานุสติสังขานุสติคือมีสติเกิดขึ้นในใจของเราตรงนั้นแตสติที่เกิดขึ้นเป็นกําลังจิตนี่อันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะใช้คิวในการช่วยเช่นคําพูดที่เขาพูดออกมาเพื่อให้ใจเนี่ยตั้งมั่นได้อันนี้คือจุดประสงค์ที่สําคัญแล่อยู่างน้ยายังระลึกถึงคําพูดตรงนี้ที่ทําให้จิตของเขาเนี่ยตั้งอยู่ในการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือคุณของท่านอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคําพูดเนี่ คุณอาจจะเอาคาอะไรก็ได้น ะ, ะอิติปิโสนี่ก็ได้เดี๋ยวอยงที่คุณยมติพูดเมสกลุ่นนี้ก็ได้นโมก็ได้เหมือนกันก็จะได้ผลเหมือนกันถ้าจิตมีตั้งอยู่ในพุทโธธรรมโมสองโคงเหมือนกันนะค่ะนะคะทีนี้ดิฉันเคยอ่านพุทธพจน์อ่าที่ได้จัดถึงเมื่อเข้าไปอยู่ในปาปรันเยรุกขมูเลวะค่ะที่ท่านจะจัดว่าให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ ถ้าเราลึกถึงพระพุทธอง์แล้วยังไม่หายก็ให้เราลึกถึงพระธรรมถ้ายัางไม่อีกก็ให้เราลึกถึงพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันไหมคะใช่ใช่เป็นลักษณะเดียวกันเกิดนั้นเนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยรุกมุรีวาเนี่ยคือหมายถึงว่าการที่เราจะเอาป่าเอาสวนหรือเอาเจดีย์เป็นที่พึ่งเนี่ยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอห่งเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งสูงสุด แต่ผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วรู้อริยสัจด้วยปัญญาชัดเจนนั่นแหละจะเป็นที่พึ่องอันเกษมที่พึ่องอันสูงสุดผู้ใดตือที่พึ่งนี้แล้วจะพ้นไปจากทุกทั้งปวงได้อันนี้คือ<า>ไม่ได้เอาอย่างอื่นเป็นที่พึ่งแต่เอาพุทโธธรรมโสมกเป็นที่พึ่งนั่นเองนะคะวันนี้ก็คิดว่าน่าจะทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราคุ้นเคยมากขึ้นมากนะคะคือนโมทัสสะพะควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกับบทที่ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะอรหังสัมมารอารหังสัมมานี่น่าจะเป็นบทที่ที่เคารพคารวะถูกไหมคะเคารพในพระองค์เคารพในธรรมเคารพในประสงค์กับก็เลยมาถึงบทที่ท่านเพรื์จะได้เสริญในส่วนที่เวลาทีท่านพูดสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบอกว่าเป็นบทในการระลึกถึงคืออิติปิโสสวากาโตสุป ต, ตะะิปันโนตูดังเรียนมแล้วก็ใช้กันเถะอะค่ะอะ เวลาเพื่อนดิฉันบอกที่ทำงานมีผีนี่ยดิฉันบอกเขางนี้จริงๆนะคะให้ส่วนอีทิพิโซเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเร า, าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความที่เข้าใจในสิ่งที่ท่านสอนเป็นเหตุเป็นผลท่านได้มีสติอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ใชใชค่ะกราบนมัส ก, การขอบพระคุณท่านไพบูลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ปลีกเวลาจาก หลักสูตรอีกเรนที่ท่านเป็นผู้อำนวยการอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่ยุ่งแสนยุ่งมาให้ทําห้กับพวกเราค่ะนัมรสการค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะทีวัดป่าดอนหายโศกจะมีการปฏิบัติทำกันเป็นประจำทุกเดือนเดือนละ1คอร์สโดยมาตรฐานนะคะแล้วก็จะมีหนึ่งครั้งใน1ปีที่จะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับคนที่สนใจที่จะศึกษาหรือว่ามีข้อจํากัดทางด้านไม่เข้าใจภาษาไทยเต็มที่นะคะก็จะได้ เข้าถึงกันมากขึ้นที่นั่นจะมีการทอดกระถินในปีนี้วันที่1พฤศจิกา ย, ยนค่ะทีนี้นก็กราบเรียนให้ทราบสาหรับคนที่อยากรู้นะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็จองะคะจะไปทาบุญที่ไหนดีโดยเฉพาะวัดที่เราเคารพนับถือวัดที่เราได้พึ่งในเรื่องของการได้ธรรมะเอามาใช้ในชีวิตนะคะรายการสันสันิสมทนาดิฉันสันสันินาคพงเป็นผู้ดาเนินรายการค่ะ ก็ลาท่านฟังทุกท่านกันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนในวันนี้นะคะเรามาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะผูทวั์สวัสดีค่ะ